14วันที่วันที่8เดี่ยม8มิถุนายน2ทั้นหารอย49วันที่14เป็นวันตกปรอกลอยวันมรนาผาหลวงปู่จัโสมพราก็คตินี่พิ็ที่ทำบุญครับที่หน้าลูกทานเป็นพี่ที่หลวงนายก็มาอยู่ในครบร่มราช่านเลวงพ่อ ทางเข้าติดจักรรถให้รถข้าไปตอนเก้านื่ตอนเก้าคือินตบาดชั้นตอนเก้ า, า 4, มันเก่าช่งเลียงนี่แหละขแล้วที่เขาจักรรถไวสังไส้อุบัติการรถจู่คันหนึ่งไปขยะรสงรถู่คันหนึ่งจ้ะราคาเอารถสองแถว ไปอีกข่้น น, น, น, นุ้นเจอหยาดนิมใช่บ่ามไปนำ่งไปรวมบุญตอกเพิ่นนี่แหะไปไปรวมบุญนู้นคือแบบคือเ็นมนนันเป็นบุญคือเห็นเป็นบุญคือท่วมเบิดบามนึกคิดในใจว่าเขาเดิน้าแสดงท่วมฆราวะสูบาจาร์มาเขา้าลบมากราบมาไหวผูบาดจาร์บัานมีการพิจหน้าต่อไปอีก ว่าโคนตายเนี่ยมาถึงทู่คู่ทุกต้นเขาทางหลวงคูเพื่อภาวนาไปปฏิบัติถ้ำภาวานาปางนั่นค่นตายสยังมากอายุเอางต้นามมา น, นึ่คือวันมาภาวนาอกิอยู่โค้กม่อมตายเนี่ยขี่ ต, ต้นจากตายจะเข้ามาพจากตายนี่มันนีอยู่อีหลีเงี้ยเดี๋ยวมนมลวรเป็นผล น, นั่นี่มันเกิดมาแล้วนี่มันต้องตายละ พี่พี่นที่เข้ามากาวนาไฟมันเกิดมากถูกไะมกาเกิดมาแล้วสองขึ้นต่ามาที่นี้แค่ไหนพี่ปีพ่นตายแค่เนี่ยเพชรเห็นมาเกิดนั่นแหะี่เขาเป็นจินตันแต่ที่นีพเจราญหน้าชอบไปอินแ่ไนอาการเวล่ามันน่อยได้เนี่ยข้าเดียวในรอยมือเนี่ยเราคู่กันสม ค็แะข่าานไปละรอยมือละข้าวเดียวเดียวๆกันเนยพอค่อยออกไปเนราคงข้าหนึ่งจะื้อกันไปไหล้วทุกคนจป ต, ต, ติดย่างไปทันหลักย่างก่อยก่อยไปนหเราบะหยัดตายบหยัดตายวันสุดย่างไปหันนี้ได้ล่ะย่างก่อยก่อยไปทันล คือว่าเ็นช่างเนี่ยมันนีมันมี่ม่างเดียวนี่เท่านั้นหละให่ซีดมันมี่่างเ็นเดียวมันมีวางแว่ะวางอ้อมไปใช้อ้อมไปได้ชางเสนมีมุ่งไปคู่วซ้ายน่ย่างซายอันนี้ตายแน่นอนเข้าเียมโตเทียมโตตักเราต้นตรนี้คิมดมวอยูมวลโมวนอยู่จังไดมันเกิดภาพสอดไปเรื่อยเลย ถนนเส้นนี้ไปบดนัยกระอดดอกมีบดลปนัยก็ะอดแต้าละคนแต่ละคนก่อนจะอดเนอเมื่อกล่าดิ่ก็กันเรียีิลเลมันดิ่มมันกันที่กป็นข้อกันแบท่านนย่นะันงาขอกท่านทันกันให้บักท่านมันล้นกันตั้งแต่มกันเอาโลกนันโลกมีเมตไส้ะ เป็นโลกนั่นเป็นปวยนั่นเป็นไครวัดโลกเป็นโองหลายแนี่อยู่โลกก็ได้แล้วในสุดสุดก็ตายการตายเนี่ยคื่นเป็นมืดบว่าตายนอนงังตายนอนโลกวัดโลกไอ้โลกมาเล่นโลกเอดโลกอาชีวะโลกฟอสโลกคือแนว่ละสายน่ะอห้เร้นกับรถทำกันตายให้เรา้นกับตกเงื่อนตาย เราตนเป็นโลกวูบตายเป็นโลกไหลบมดตายขึ้นกันเห็นไหมว่เป็นโลกมุนี้ก็เท่าตายนะร่วมแล้วตายขึ้นกันข้างเสร็นี่ไปชุดวางเดียวกันแล้วยทุกคนทุกคนมีช่งางต้องเจ็บฟองข้างจะมีไปชุดมองเดียวกันมันตายเหยียมไปแด้วทั้งทั้งมันแล้วมุนีไซม์โมซอยด้วยชางเสร็นี่เป็นช่างเท้าช่างเซียว จะคล้องโบเย็บจะคล้องให้เก็บแข็งต่อยจะคล้องได้เลยมันก็มีทรางสีม่มเนาะท้างสีมันสีดีนี่อยู่คอยเขาสิไปิอดห่งโอเพี่ยนวีซ่าของพระพุทธเจ้าจ้ะคือฝนเห็นมันได้วิซ่าของพรพุทธเจ้าใส่จะคล้องไว้หันไปกอดทุกถ่ายแล้วใจนี่มันเปลี่ยนแล้วมันได้วิซาพระพุทธเจ้าแล้วมันเดินหนีได้มันหลบหนีไปเลย ทุกย่งไปธรรมดา ไ, ไ, ไปแล้าตายแล้่เขาแกตลาดตลาดขึ้นมาไหมเอเกิดไม่เจรายุ่นี้นน เ, นเกิดขึาาข้นาามาเป็นยานไปอีละยานไปหอดร่างกายไปแลเอาอยู่ตรงี่ละ่ะมันติดใจสลาดแล้วลุกฝนนี่ใส่หอดรางกายอกหนีเลยล่อหนีหมดอ่าอยแต่ละไม่ลกิดเลยาจำได้เนี่ยหลคูเป็นสมนี้ ลอยด้วยอีกที่ TDC ีโบโลนนี่แหลนคือได้มนี่โอกาสจะไปรวมทำบุญน้ำเกินไปโมน้ำเงินไปทำบุญน้ำเกินเรื่อย